เรื่องจัดเสนาสนะให้ว่างสำหรับพวกภิกษุผู้ก่อความทะเละวิวาทท่านพระสารีบุตรกราบทูลถามว่าก็ถ้าไม่มีเสนาสนะว่างจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรถ้าอย่างนั้นเธอพึงจัดเสนาสนะให้ว่างแล้วให้ แต่เราไม่กล่าวว่าพึงห้ามเสนาสนะแก่ภิกษุผู้มีพันสามากโดยปริยายไรๆไรเพราะผู้ใดห้ามต้องอาบัตทุกกฏ